การที่จะเข้าถึงคุณของพระรัตนตรยัยที่ท่านใช้คำว่าฉันทสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดจากฉันทะเกิดความพอใจความปรารถนาความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยไอตรงนี้เขาเรียกสามารถที่จะปลุกร้าคุณธรรมกาวคือฉันทะเนี่ยให้เกิดขึ้นในใจของตนเองอย่างตั้งมั่นได้ ถ้าถามโยมตอนนี้นะว่ายอมมีความเชื่อมั่นในพรตนะไตรามากแค่ไหนแล้วก็คิดถึงพรตนะไตรามากแค่ไหนรักพรตนะไตรามากแค่ไหนลองนึกดูนะพอตอนนี้ว่าจิตของตอนเองเนี่ยมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยในพรตนะไตรจนถึงขนาดมีสมาธิที่ตั้งมั่นไหม และในขณะเดียวกันก็จะเกิดความเพียรพยายามในการที่จะปารบถึงคนของพระรัตนตรัยอย่างต่อเนื่องไหมลองนึกอย่างเนี้ยนะตัวฉันท้าเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลุกเร้าฉันท้าเนี่ยดูตัวอย่างเช่นพระรัตปาละพอไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อมั่นเกิ็ฉันท้าปลุกเรา้าคุณธรรมว่าตัเองต้องสละ สละอะไรสละทรัพย์สละบุตรสละภรรยาแต่จริงๆก่อนจะสละทรัพย์สละบุตรสละภรรยานั้นเขาสละอะไรก่อนรู้ไหยกิเลสเนี่ยไอ้ตัวตันหาที่เข้าไปยึดติดไอ้ตัวอุปาทานที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนะี่ยว่านี่ทรัพย์ของเรานี่บุตรของเรานี่ภรรยาของเราเป็นต้นนี่พ่อของเราแม่ของเรานี่ตระกูลของเราเป็นต้น่ะแปลว่าน่ะจิตใจนั้น ขึ้นสูงได้ตั้งมั่นไดน้เมื่อจิตใจนั้นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเบเสร็จแล้วก็เริ่มวางแผนพอวางแผนเบเสร็จแล้วก็ไปบอกแม่กลับไปไปบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกให้ขออนุญาตจากพ่อแม่พอกลับไปที่บ้านก็ไปขออนุญาตพ่อและแม่พอไปขออนุญาตพ่อและแม่พ่อแม่บอกว่ายังแม่อนุญาตท่านพระราดตาปาลก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก ถ้าไม่ได้บวชตอนเองก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทาไมเห็นไหมไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมก็ไปนอนไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะจะไปนอนอยู่นอกชานถามว่าตอนนอนอยู่นะ่ะท่านคิดยังไงตอนนั้นปลุกเล้าอะไรขึ้นฉันทะมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีความรักในพระธรรมกายแล้วจิตใจก็สละ พวกกลุ่มตันหากลุ่มอุปาทานที่ยึดยึติดในทรัพย์ยึดติดในวิวัฒย์ยึดติดในชีวิตยึดติดในบุตรภรรยาทั้งหลายเหล่านั้นสลับทิ้งได้หมดอุปสรรคภ า, ษ า, ษายในไม่สามารถมาขัดขวางได้แม้อุปสรรคภ า, ายนอกพ่อแม่และทรัพย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถมาขัดขวางได้พ่อแม่มาเกี่ยกอบอยังไงก็ตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพียรพยายามประคับประคองใจตัวเองให้อยู่เหนือให้อยู่เหนืออะไร เหนือทรัพย์เหนือบุตรภรรยาเหนืออวัยวะและเหนือชีวิตอย่างเราฟังธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งมั่นฉันท่าอย่างแรงกล้าในพระตนะไตรไม่เสียดายกายและชีวิตทำได้ไหมบอกเอาเฮอะวันนี้จะนั่งฟังธรรมะเนี่ยถวายเป็นบูบชาไม่ใช่นั่งแบบฝืนจำทนนะนั่งแบบประคับประคองใจนะ แล้วก็ระลึกถึงพรัตนาไตรรักพรัตนาไตรปราถนาเข้าถึงพรัตนาไตรยอย่างตั้งมั่นในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้จิตมันซึมเศร้าเพราะกรตุ้นตลอดเวลาไหมปลุกเร้าคุณธรรมตลอดเวลาปลุกเร้าศรัทธาอยู่ตลอดเวลาปลุกเร้าวความเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาว่าพรัตนาไตรนี่สำคัญกว่าชีวิตสาคัญกว่าวิวาสาคัญกว่าทรัพย์ ไอตัวกระตุ้นเตือนที่ปลุกร้าตลอดเวลาแล้วจิตก็เป็นสมาธิอ น, นี้มันอยู่เหนืออะไรเหนือทีน่ะมิถะเหนือความง่วงเหงาหาวนอนเหนือความฟุ้งซ่านแล้วอั น, นอยู่เหนือแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ให้สภาพจิตนั้นมันตกลงก็ตั้งมัน่นไม่ใช่ตั้งทางกายนะแต่สภาพจิตใจที่ถูกปลุกร้าเพราะมันได้ข้อมูลเยอะ ม, มันมีวิธีการมันได้ข้อมูลมันก็กระตุ้นความรู้สึกตนเองนั้นนะ่ะให้มีความเชื่อมั่นในพระรัตนาไตร ไม่หวั่นไหวเพราะเชื่อว่าพระรัตนตรัยจะนํากระแสชีวิตของตนเองนั้นให้พบสิ่งที่เลิอ่อสิ่งที่ประเสริฐเป็นต้นได้อันนี้เขาเรียกว่าปลุกเร้าตัวฉันทะเนี่ยในขณะที่มีความรักความปราถนาดีตรงนี้เกิดขึ้นมีศรัทธามีความเชื่อมั่นตัวความเพียรก็มาประคับประคองถามว่าความเพียรประคับประคองอะไรประคับประคองให้ใจนั้นตั้งอยู่ในสมาธิ เห็นไหมสังเกตุคนที่มีฉันทามากเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นพอสมาธิตั้งมั่นเนี่ยก็ตัดวงจรภายนอกได้และคือกิเลสภายในไม่รบกวนด้วยและอุปสรรคภายนอกก็ไม่รบกวนด้วยเราทําได้ไหมแบบนี้ทําได้ไหมถ้าทําได้เวลาไปฝึกหัดถัดเรานั่งอยู่คนเดียว คนที่ปลุกเร้าฉันทะคือศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้นะที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วจิตเป็นสมาธิและในขณะเดียวกันไอ้ความเพียรที่สร้างสรรค์ความเพียรที่เป็นตัวสังขารก็คอยกระตุ้นประครับประคองให้ใจตัวเองนั้นน่ะออกจากบาปอากุศลธระทลามกอยู่ตลอดเวลาประครับประคองใจตัวเองให้อยู่กับกุศลแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในทานอยู่ในศีลกุศลเนี่ยอยู่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ย ไม่หวั่นไหวยืตดตลอดเวลากิเลสภายในก็ไม่รบกวนอุปสรรคภายนอกก็ไม่ขัดขวางได้เพราะอะไรเพราะสภาพจิตใจมันอยู่เหนืออะไรเหนือกิเลสเหนืออุปสรรคและเหนืออะไรเหนืออุปสรรคภายนอกด้วยปลกเล้าได้ไหมตรงนี้มันต้องชิดปลกเล้านะติดปลกเล้าให้เกิดขึ้นนะถามทาไมต้องมีการกระตุ้นขนาดนั้น ถามว่ากิเลสเขามีกำลังไหมถ้าเราไม่ตรึกใค้ควรให้ใจของเรามีสภาพี่ตังมั่นในระรตนาตรายัยที่สุดจริงจริงกิเลสก็จะมารบ ก, กวนนะสมมติว่าอามาหยุดนิ่งปุ๊บให้อยู่สงบสงบกันสิบนาทีเนี่ยมั่นใจไม่ว่าจะไม่หลับกบกลับไม่ฟุง้งแม้เราจะมีปัญหาอยู่สองตัวนะฟุง้งแตหลับ พุ่งกลับหลับกันอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะนี้บ่งบอกถึงว่าเรายัางเดินสภาพจิตภายในไม่แข็งแรงนะและให้รู้ตัวนะว่าตอนนี้สภาพจิตของเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมสภาพจิตไม่ได้เราก็ไม่ต่างอะไรกับคนทางโลกที่เขาวิกลจริตนะคนีวิกลจริตทางโลกนะแต่ของเราเขาเรียกคนปกติอย่างทางโลก แต่มาทางาพระธรรมเนี่ยเราไม่สามารถดูแลควบคุมจิตเราได้เนี่ยเขาเรียกสภาพใจมันจะสำเร็จจะสาเร็จในด้านของการที่จะเข้าถึงจิตสงบมันไม่ได้เพราะเราเป็นผู้มีจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเหตุผลที่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีอุบายวิธีและเราตั้งใจต่ำไปความฉันทะเราเราน้อยไป ถ้าปรารถนาให้จิตเป็นสมาธิให้มีฉันทะในธรรมปรารถนาที่จะเข้าถึงความสงบให้มากกว่านี้แต่การจะเข้าถึงความสงบได้เราไม่ได้ตั้งอยู่ที่ความสงบนะเราตั้งที่พรตนาตรัยความที่เราตั้งมั่นตั้งจิตของเราไว้ที่พรตนาตรัยนั้นเพื่ออะไรให้สังเกต ด, ดูนะว่าถ้าสมาธิจริงๆสมาธินั้นมันออกจากความฟุ้งซ่านได้ และชันท้าที่มีกำลังจริงๆเนี่ยนะจะมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่อะไรกายและชีวิตแล้วจะผเราจะค่อนข้างที่จะมีชันท้าปลุกเร้าตลอดเวลาไม่ยอมเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาความสำเร็จของการได้สมาธิและตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นความสำเร็จไม่ใช่เอาว่า เอาเอาเวลาเป็นเครื่องจำกัดแต่เอาตัวที่ฉันทะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระาราตนตรัยแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีความเพียรพยายามในการประทับประคองจิตของตนเองนั้นให้ออกจากบาปอกุศลธรรมอัลามกอันนั้นเป็นความสำเร็จเป็นความสำเร็จของฉันทะสมาธิและในขณะเดียวกันก็มีประธานระสังขารคือความเพียร ที่คอยประครับประคองอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีความเพียรประครับประคองจิตสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่องนะที่ส่วนจริงจิตก็ตกมาอีกจิตมันก็ตกมาอีกซึ่งเราก็กลายเป็นประเภทนี้แหละกลายเป็นประเภทว่าในขณะที่ไปปฏิบททัติจกตแป๊บหนึ่งจิตมันยกขึ้นดีสภาพก็ตกบู๊กขมาอีกใช่ไหมล่ะแล้วค่อนข้างจะตกได้ง่ายมาก เกิดขึ้นในแวบเดียวเดี๋ยวก็ตกมาอีกเกิดขึ้นในแวบเดียวเดี๋ยวก็ตกมาอีกอันนี้แปลว่าอะไรเพราะไม่มีความเพียรที่สร้างสรรค์คอยประครับประคองอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ความคิดจดจอด่อเอาใจฝากไปความคิดถูกพันจดจอด่ออยู่ในคุณของบระรัตน์ไต ร, ตร อ, ยอย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจเรื่องอื่นเช่นในขณะที่ฟังพระธรรมก็ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยจิตใจก็จดจ่อผูกพันกับการฟังพระธรรมอย่างต่อเนื่องฟังอย่างต่อเนื่องระลึกอย่างต่อเนื่องในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียงที่เสียงที่แปลงออกมาเนี่ยล้วก็ระลึกตามจิตใจก็จดจ่ออย่างต่อเสียงอื่นภายนอกตัดได้หมดเลย เรื่องราวทั้งหลายภายนอกแม้ความทุกข์กายก็ตัดทิ้งหมดเลยสภาพจิตก็น้อมและลึกอยู่ในเสียงที่ฟังอย่างต่อเนื่องเจ็ดจ่อและลึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรื่องอื่นแม้จะเกิดขึ้นใกล้ๆก็ไม่รับรู้เลยตัดอารมณ์ภายนอกได้เลยลักษณะอย่างนี้คือตัวจิตตะี่มีกําลังนะ ความมีจิตใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นเนี้ยนำให้เกิดสมาธิทําสมาธิให้เกิดขึ้นจิตก็จะแนบแน่นจิตก็จะแนบสนิทในกิจที่กําลังระลึกที่กําที่มีกําลังมากเฉพาะเฉพาะในการระลึกในเรื่องนั้นๆอันนั้นเรียกว่าจิตตสมาธิพร้อมกันนั้นก็มีตัวสังขารที่เป็นความเพียรเนี่ยนะความเพียรที่เป็นตัวสังขารก็กระตุ้น ให้จิตนั้น อ, อยู่กับความดีอยู่กับคุณของบารัตน์ไตรไม่ให้ตกลงมาอย่างนี้ก็เรียกจิตตาสมาธิจิตตสมาธิประการต่อมาถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นไอตัววิมังสาเนี่ยไอการคิดสอบสวนไตรสวนไตรตรองใช้ปัญญาพิจารณาวิจัยแยกแย ะ, แยะ ว่าตอนนี้กําลังฟังทำเนี่ยเออตัวศรัทธาอ่อนไปก็พิจารณาไข่ควรทําศรัทธาความเชื่อมั่นให้ตั้งขึ้นหรือความเพียรมันหย่อนไปก็ประคับประคองศรัทธาให้เกิดขึ้นเือความเพียรให้เกิดขึ้นสติการลึก อ่อนไปก็สอดส่องว่าเออต้องคิดอย่างนี้สติถึงจะสามารถระลึกที่สุดจริงๆการไตรตองการสอบสวนนี่เป็นปัจจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาธิและในขณะเดียวกันความเพียรก็ประครับประคองสรุปตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงการเข้าถึงพารัตน์ไตราการเข้าถึงพะรัตนะไตรเนี่ยใช้ใช้อิทธิบาทที่เป็นเขต คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์หรือเครื่องให้สาเร็จให้ประสบความสาเร็จให้ได้ตอนนี้เมื่อฟังอย่างนี้ต้องรู้จักตัวเองก่อนนะว่าตนเองเป็นผู้ที่มากด้วยฉันทะไหมหรือเป็นผู้ที่มากด้วยวิริยะความเพียรพยายามความบากบัน่นหรือเป็นผู้ที่มากด้วยจิตตะคือความคิดจดจ่อในเรื่องนั้นไม่สาเร็จไม่หยุดหรือประเภทที่วิมังสา ใช่ควรหาเหตุและผลอยู่ตลอดเวลาในการที่จะเข้าถึงสมาธิและตั้งมั่นในพระทานะไตรเรามีสักข้อไหมจะลืมนะว่าตรงเนี้ยเมื่อเราเข้าใจพราทานะไตรแล้วต่อไปเวลาเราไปเดินทานกุศลเนี่ยทานกุศลมันจะมีผลมากสินกุศลมันจะมีผลมากเพราะเราใช้อิธิบาทเป็นแล้ว เ, เราสามารถมีแรงกระตุ้นที่จะเป็นปัจจัยทําให้ตัว ทานกุศลมันเป็นภาวนาขึ้นมาได้ศีลกุศลเป็นภาวนาขึ้นมาได้แม้พระรัตนาไตรที่เราละลึกจะกลายเป็นภาวนากุศลจะเข้าถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ของจิตได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถใช้ใช้อิทธิตัวเนี้นะเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะประกอบทานศีลภาวนานี่นะที่สุดจริงๆเราก็ได้อยู่แค่ทานศีลภาวนาอย่างที่เราเคยอยู่ ก็ไม่สามารถที่จะจ ะ, จะตุ้นตัวกระแสชีวิตของตนเองนั้นน่ะให้เขา้าขึ้นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้ให้สังเกต ด, ดูว่าในขณะที่เราถาวายทานทุกวันนี่นะเช่นเรามีสิ่งของสักสิ่งหนึ่งเนี่ยเราไปจะถวายทานกุสลเนี่ยจิตใจเราจะวอกแวกตลอดเวลาเลยเอ่ะอันนี้บงบอกถึงอะไรรู้ไหม ตัวฉันท่าไม่แข็งแรงในการเดินทานกุศลแล้ววิริยกระก็ไม่แข็งแรงจิตตะก็ไม่แข็งแรงจิตจ่อๆแล้วก็ปัญญาที่จะสอดส่องไถ่ควรไตร่สวนเหตุและผลก็ไม่ไม่แข็งแรงเพราะไม่สามารถเป็นปัจจัยให้กับสมาธิที่ตั้งมั่นในขณะที่ธทำนั้น ถามว่าคนที่จะถวายทานเนี่ยถ้ายุงกัดเนี่ยจะคิดถึงยุงหรือคิดถึงวัตถุทานนะั้นเข้าใจยังนี่แปลว่าความความไม่ตั้งมั่นของจิตมันเกิดแล้วเอาแค่ยุงตัวเล็กๆ เ, เนี่ยไม่ต้องเรื่องใหญ่โตนะเอาสมมติว่านั่งฟังธรรมอย่างนี้ถ้าไฟไหม้บ้านนั่งอยู่ได้ไหมเนี่ย นั่งโยไม่ได้เพดเงินเป็นแถวเป็นแถวนี้เนี่ยจะวิ่งไปดับไปนะอันนี้บอกถึงความไม่ตั้งมั่นนี่ไงอ่อนแออย่างนี้จิตอ่อนแอเพราะว่ามันจะซัดสายตลอดเวลาแลวสภาพจิตจิตจะซัดสายตลอดเวลานะ แล้วจะวิตกกังวลตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นห่วงตลอดเวลาแล้วจิตแบบนี้จะเดินทางกุศลจริงๆได้อย่างไรก็เดินไม่ได้แต่มันมันยังอยู่ในรูปแบบอยู่นะพวกเราเนี่ยอามาไม่เฉียงนะว่าพวกเราเดินตามรูปแบบกันไม่เป็นเราเคยให้ทานเราเคยไปสมาทานศีลเราเคยไปอบรมภาวนาแต่สภาพที่ทนะําเนี่ย มันเป็นสภาพที่ยังมีตัวกำลังตัวอิทธิ์ที่เนี่ยกำลังน่ะเหตที่ให้ประสบความสำเร็จน่ะอ่อนแอนี้มาพูดในวันนี้ที่มาจัดอบรมในครั้งนี้ต้องการยกระดับตัวสภาพจิตใจที่อ่อนแอนั้นน่ะให้อยู่ในระดับปานกลางหรือระดับที่ประนีดประนีดนั้นอ่ะหวังผลเลิศเข้าไว้ แต่ยังไงยังไงให้ยกระดับที่มันอ่อนแอเนี่ยนะให้อยู่ในระดับมัชิมะระดับกลางๆเนี่ยให้ได้แล้วจะได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันภพนี้และในภพต่อไปด้วยในเมื่อเราไปเดินทานกุศลศีลกุศลแล้วก็พัฒนาสู่ภาวนากุศลลองคิดกันง่ายๆเนี่ยถ้าทานกุศลของเราท่านทั้งหลายที่ทำมาเนี่ย มันมันมีกําลังจริงในการทําถูกจริงทานกุศลมันให้ผลเป็นทรัพย์ใช่ไหมผลโดยอ้อมของทานกุศลเขาทรัพย์มันเพิ่มพูนแล้วตอนนี้ทำไมมันซุดซุดลงตลอดอันนี้ก็เห็นแล้วว่าผลมันไม่นั่นอันนั้นอย่าเพิ่งไปพูดตรงนั้นนะนะแต่ต้องการว่าเออเราเพราะเป้าหมายมันไม่อยู่แค่ทรัพย์เป้าหมายมันคือการสลั และเป้าหมายก็คือพระนิพพานที่เราหวังกันโน้ตแต่อี้ผลที่ไม่ต้องการทั้งหลายมันก็จะตามมาตอมเหมือนมแมลงวันนี่แหละที่วิ่งตอมในพานในพานเนี่ยก็ไปฆ่าเนื้อเขาแบกเนื้อออกจากป่าอ่ะเขาต้องการเขาต้องการเงินใช่ไหมแต่ในขณะที่แบกเนื้อออกจากป่าเนี่ยกินข้าวของเนื้อเนี่ยมันจะไม่ให้มแมลงเหลือบแล ะ, มะแมลงวันมันตอม เขาไม่ได้ปาถนาคนที่เดินทานกุศลถูกต้องจริงๆหรือผลของทานกุศลเนะ่ถ้าผลของนิจจทานในอดีตดีจริงๆแล้วก็นิจจทานในปัจจุบันนี้ดีจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้ซัพย์เต็มไปหมดนะเพราะมันให้ผลเป็นทรัพย์แต่อย่างเราเนี่ยผลของทานกุศลในอดีตอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเรามาอ่อนแอนในปัจจุบันนี้เขาด้วยก็ยิงไปใหญ่ ก็เดือดร้อนหาพย์ทั้งชาตินะใช่ไหมโลกคนที่นิด จ, จะศีนอ่อนแอในอดีตมาปัจจุบันพภพเนี่ยก็แตกแยกตลอดโรคภยัยแท้เจ็บเบียดเบียนตลอดสารพัดมีปัญหาสารพัดเกี่ยวในเรื่องสภาพของศีนทั้งหมดผลของการุกศีนทั้งหมดคนที่วิชาด้านปัญญากุศลอ่อนแอในอดีตเนี่ยพอมาฟังว่าทำศึกษาคาสอนก็ไปไม่เป็นเลยแต่เนี้ย ปวดหัวบ้างเดือดร้อนบ้างใช่ไหมล่ะตรงนี้ ก, ก็ก็ให้รู้เหตุและผลทีนี้ประเด็นก็อยู่ว่าในขณะที่เราเนี่ยมาฝึกในกรณีที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรยัยก็ลองสังเกตดูว่าสภาพจิตใจเรายังไงเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราจะเห็นชัดถ่านในขณะที่สวดเนี่ยถ้าอิทธิบาทมีกำลังนะ อิติปิโสพกวาเนี่ยทุกบททุกพยัญชนะจิตเจระลึกตั้งมั่นในคุณของพระราธนาธิราลองทดลองสวดดูไหมว่าเจระลึกได้จริงไหมในล อ, ล, อลองลองลองดูเนี่ยเ อ, องตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่คิดเรื่องอื่นเลยเนี่ย อิติปิโซภะคาวาอะระหังสัมมาูุโุวิจาจรานสัมสุขะโตโลกาวิถุอนุตตโรปุริสัตถม ราธิสัตธาเดวมนุษยตทพคาาวาติคิดทันทุกบทไหมเพราะอิติปีโสพระควาบอกอัลาหังตนนึกถึงพระเจ้าเป็นพระหลานเนี่ยนึกทันไหม สัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตเป็นต้ น, นหรือคิดแวบเรื่องอื่นไหมไม่คิดเลยลองดูอีกรอบนี่ย พิติปิโสภาควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโดวิจจารานาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิจุ อานตารโุริสาดามาสารธิสัตถาเดวมาุษสานาพุทธมพะคาวะตีเอาลองหลับตาดูทีเนาะทีหลับตาละลึกถึงคุณของพระเจา้าที่ต้องตั้งมัน่นเนาะนะละลึกบทใดบทหนึ่ง ที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ประเด็นว่าต้องรู้ความหมายต้องรู้ความหมายถ้าระลึกสิ่งเหล่านี้รู้ไม่ได้ให้ระลึกถึงพัฒนาบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญมาตอนเป็นพระโพธิสัตว์นั่นแหละแล้วก็ระลึกถึงทาน ที่เราท่านทั้งหลายเคยทำพระเจ้าสละทรัพย์ที่มีทั้งหมดสละอวัยวะและสละชีวิตเราก็เดินตามรอยบาทของพระบระมา ศ, าศาสดาด้วยการสลัทรัพย์ แต่ที่มันเกี่ยวข้องกับอวัยวะของเราแล้วเกี่ยวข้องกับการหามาได้ด้วยชีวิตนึกนึกแค่พาธานบารมีของพระเจ้าแล้วก็ น, นึกถึงทานของตอนเองเนี่ยที่เรากำลังจะเดินตามรอยบาทตศาษษษสดาเพื่อปราถนาความพ้นทุกเนี่ยระลึกการระลึกในลักษณะอย่างนี้เป้าหมายเพื่อให้จิตเป็นสมาธิไม่ใช่ระลึกแล้วฟุง้ง แต่ละลึกแล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิทำไมต้องนึกถึงทานของพระพุทธเจ้าเพราะจะได้เกิดปราโมทปีติที่พระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทานบารมีมากพระพุทธเจ้าสละซับภายนอกไม่ต้องพูดถึงสละอวัยวะภายในเนี่ยที่บอกว่า ให้ตาควักตาออกเป็นทานเนี่ยมากกว่าดาวบนท้องฟ้าตัดเนื้อให้เป็นทานเนี่ยจนแผ่นดินเนี่ยพ่ายแพ้เลือดที่ไหลจากสรีราที่สลายให้เป็นทานมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรตัดศรีรษะให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าขุนเขาซีเนลุเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาคิดแล้วให้ใจนั้นเกิดปลาโมดในพาธานบามีของพระเจ้าอนุโมทนาย้อนหลังกับบุญของท่านที่ทําเป็นท่านเป็นหมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่มากท่านทําสิ่งที่ทําได้ยากเราจะเดินตามรอยท่านถึงทําไม่ได้เท่าท่านแต่เราจะทําเพื่อเป็นปัจจัยต่อการละกิเลต นั้นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวันไหวและเป็นสมาธิเนี่ยที่มีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าตรงนี้อันนี้คือปารพรธทานบารมีแล้วให้นึกว่าพระทานบารมีของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในตนไหมมีอยู่ในเราบ้างไหมเวลาเราจะสละเนี่ยเราสละได้เด็ดขาดอย่างท่านไหมก็คิด ลองคิดดูซักลองตรึกถึงคุณคุณทานบารมีอย่างนี้อย่างเดียวนี่นะจะได้ถึงสักสองนาทีไหมที่ไม่ตรึกเรื่องอื่นไม่ซัดสายไปในเรื่องอื่นเลยแล้วจิตใจก็เ อ, อิบอิ่มปลาโมดแล้วก็ปีติดได้จริงมีชันทะกระตุน้นอย่างแรงกล้า แล้วก็สมาทานในใจอย่างตั้งมั่นว่าเราจะฝึกในการเจริญทานกุศลให้แข็งแรงยกสภาพจิตใจของตอนเองนั้นให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเราเข้าใจว่ากระแสของชีวิตเนี่ยลมหายใจมันจะขาดอยู่แล้วเนี่ย ก็นึกก็คิดทีนี้การคิดในลักษณะอย่างนี้บางท่านอาจจะบอกว่ามันไกลตัวหรือเปล่าทีนี้ลองมาดูสภาพจิตใจของตนเองที่ระลึกนะว่าจริงๆมันเกี่ยวกับชีวิตจริงของเราเนะี่ยวันๆหนึ่งเนะี่ยเราจะต้องสละเราจะต้องให้ตลอดเวลานะให้ลูกให้ภรรยาให้อะไรเยอะแยะหมด ถามว่าเราจะคิดเป็นไหมว่ามันเป็นฐานเอาลองตั้งมั่นดูสักนิดหน่อยนะ